ราจฎรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทรงมีทรงเสียสละใหญ่นักเพื่อความไกลทุก ข, ของสัตว์โลกทั้งปวงคำนี้จับจิตจับใ จ, บ จ, บจ ย, ยิ่งนักตอนนี้เข้ากประฐานพระครูเกษมถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเดินแถวๆก่อนเมษาเลยยังไงฮะเ <c oughs> สร็จแล้วเขาตั้งใจว่าออกมาปีนี้จะต้องพิมพ์หนังสืออันนี้เนี่ยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้แล้วถวายเป็นพุทธบูชา ก็ถึงกับการที่ให้ศิลปินวาดรูปพระพุทธเจ้าตัสรู้เพื่อการทําหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะนะคะในแต่ละขั้นตอนที่ทําหน้าปกหนังสือนั่งอยู่หน้าจอเพื่อปรับแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้เล่มเล่าเพื่อตรวจทา น, นนะคะก็เลยเป็นอะไรที่เตรียมความพร้อมที่จะไปกราบพระพุทธองค์มากถ้าจะไม่ปิดก็พิมพ์อาจจะแสนกว่า2 0 0 0 0นเล่มานะคะคือคนร่วมพิมพ์กันเยอะมาก แล้วก็ได้เดินทางไปพราะฉัน้นก็เป็นการที่ได้เตรียมพร้อมกับการที่จะไปกราบพระพทองค์นะคะตอนนี้ด้วยความที่ไปก่อนไปก็ป่วยนะะเสร็จแล้ววันแรกที่ไปถึงคือพุทธคยาเออแต่ต้องกล่าวถึงนั่นฮะทางคุณตอนนี้เลยไม่ชื่อไม่ออกที่ทัวร์คุณลุงธรรมมาเนี่ยน่ารักมากรู้ว่าเราห้าคนนียตั้งใจไป ก็คุณลุงบอกว่าไม่เอากำไรทั้งสิ้น น, นะคะก็แนะนำคนที่อินเดียให้เราที่ทำทัวร์เราก็เลยไปกันได้อย่างสะดวกสบายไปกันห้าคนคราวนั้นก็มีคุณชวนชื่นคุณภัยลินด้วยใช่ั้ยนะคุณชวนชื่นคุณภัยลินแล้วก็เพื่อนคุณเพื่อนคุณชื่นแล้วก็คุณคุณแอวไปกันห้าคนนะคะ เออไม่ให้คุณแอวคุณนีไปกันห้าคนนะค ะ, ะวันแรกสุดก็ไปถึงเข้าไปอยู่ที่ใต้ต้นโพเนี่ยน้ำค้างก็ลงมากนะคะแต่ก็ด้วยความตั้งใจก็เลยเรียกว่ายืนหยัดอยู่ที่จะ น, นั่งสมาธิกราบอยู่ที่ตรงนั้นก็ทำให้เหตุว่าวันต่อมาก็ป่วยไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆ เ, เ, เขาก็ไปกันได้เพื่อนๆ เ, เ, เขาก็น่ารักเข้าใจดีเขาบอกเสียดายคุณงานเป็นผู้นามาแต่มาป่วยสก่อนไม่ได้ไปต้นโพ แต่ไม่ได้รู้สึกขณะนั้นจิตไม่มีความตกแม้แต่เล็กน้อยนั่งอยู่ในห้องที่วัดไทยพทธยาแล้วก็หันหน้าไปต้นโพนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลามันเป็นการไปเพระาะว่าเขาบอกว่าการเห็นโถเนี่ยนะคะมันมีส่วนช่วยเยอะมากเลยทําให้เราเอาพระธรรมคําคสอนเข้ามาใช้กับตัวเองได้ข้อ ก, การไปมันก็เลยทําให้เรามีความตั้งมั่นอย่างมากมายนะคะแล้วก็ในระหว่างที่จะต้องเดินทางจากพุทธคยาไปพระนสี มันก็เป็นช่วงที่คนทั่วไปไปน้อยก็จะมีพวกทางที่ที่เบรไปกันเยอะมากนะะรถราสมัยนั้นก็จะติดมากแต่เราก็โชคดีได้เรียกว่ารถท่านอะไรมะมาอยู่ข้างหน้าเราเราก็เลยตามต่อไปเลยก็ไปถึงพระนศีโดยสะดวกนะคะจากพาระนศีจากนั้นก็เดินทางไปต่อกุสินาราเนี่ยในแต่รู้สึกคือที่นี่เป็นที่ประทับใจมากระยะทางที่นั่งรถหชั่วโมงในเวลานั้นน่ย น, นะคะ ไม่สนทนากับใครเลยแม้แต่น้อยมองออกนอกหน้าตา่างและก็ระรึกถึงพระพุทธองค์ได้เรียกว่าถ้าบอกว่า7ชั่วโมง อ, อ, อย่างน้อยก็ต้องได้ 5-6 ชั่วโมง น, นะฮะเกือบจะไม่มีเวลาไหนที่ไม่ละลึกเลยนะะ <c oughs> ก็เลยเป็นการไปที่ประทับใจมากๆถึงบอกว่าแม้คนเนี่ยที่ยังไม่ได้ศึกษาแต่ถ้ามีความตั้งใจอย่างเต็มเปลี่ยน สิ่งที่รักสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตึงตาตึงใจมากแล้วก็ได้ตั้งอธิษฐานว่าขอได้มีส่วนในการที่จะได้มีส่วนทนุบารุงพระพุทธศาสนานะคะก็เป็นความตั้งใจในครั้งนั้นแล้วก็เกิดได้ไปหลายๆครั้งจนกระทั่งได้ไปกราบท่านเจ้าขุนบระยุทธ์ในครั้งที่สองหรือสาเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็ได้สร้างพระพุทธรูปบางปรินิพพาน น, นะะแล้วก็ได้ไปช่วย จัดสวนแล้วก็มีโอกาสตอนอย่างแต่ทำมาได้ไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำเพราะว่า คนที่เขาทำเขาไม่ค่อยตั้งใจคือไปที่อย่างเชตวันเนี่ยก็เห็นมีความรู้สึกว่าเออสถานที่ของพระทุทธองค์เนี่ยทำไมเขาปล่อยข้างหน้าไว้สกรปรกะนะฮะก็ได้ไปจ้างคนแขกแถวนั้นแล้วก็ข้างหลังก็มีวัดนึงรับไปนะคะก็ทำอยู่ได้ประมาณสักสีหปีกว่าหน้าวัดพระเชตวันเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกอะไรที่เราทำได้เราอยากจะทำะนะฮะก็เลยจนกระทั่งก็อาจจะเป็นผู้โชคดีจนกระทั่งไดมาร่วม ซื้อที่ดินสร้างวัดพระเชตุบัณฑ์นะฮ ะ, ะกับทางบุญถาวรแล้วจากเหตุการณ์ที่ไปอินเดียเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าสิบกว่าครั้งเนี่ยก็เป็นเหตุเหุ่การที่ทำให้เราเนี่ยมีความตั้งมั่นมากขึ้นศรัทธา ม, มั่นคงมากขึ้นต่อการที่จ ะ, ะทํมาการเผยแพร่พระธรรมคำสอนต่างๆจนกระทั่งที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะและก็เรียกว่า ในการที่เรามีชมรมฝ่ายธรรมพุทธเนี่ยเป็นเหตุแห่งการช่วยมากๆเป็นสิ่งอุปการะเพราะว่าแม้ราพังเพียงคนเดียวเนี่ยศรัทธาของคนที่ยังเป็นพุทรชนเนี่ยความมั่นคงเนี่ยกล่าวไม่ได้เลยแต่การที่มีกลุ่มเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยได้ช่วยเสริมกันได้ช่วยให้เราทำ งานต่างๆได้มากขึ้นะนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆชมรมฝ่ายธรรมนุทธแล้วแม้กระทั่งกับการที่ได้อาจารย์สุรพงศ์เข้ามาช่วยเป็นครูสอนมาช่วยงานด้านนี้ะนะฮะก็มีส่วนช่วยเราอย่างมากๆว่ายามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็ทำให้สามารถตอบ ค่ะคำถามสิ่งสงสัยได้แล้วก็การมีห้องมีสถานที่นี้มีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของเราที่ช่วยกันไม่บ้านนกหรือเอกนะคะต่างๆที่มาช่วยกันนะคะแต่ละคนต่างๆแม้กระทั่งเด็กในออฟฟิศอย่างน้อยก็ยาบางทีก็ได้ช่วยเข้าเล่นช่วยทํานู่นทํานี่นะคะก็เรียกว่ามีสถานที่มีโอกาสที่จะได้ทํากุศลได้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะตลอดไปช่วยคณะสงฆ์แต่สิ่งต่างๆนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี ความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันแล้วก็กสําคัญเหนืออื่นใดคือจากการที่ได้ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งมีทั้งพระอาจารย์สมทบพระอาจารย์สันตินะคะท่านอาจารย์พยอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียกว่ามีส่วนให้ตัวเองได้ตั้งได้ตั้งมั่นมากขึ้นคือพระอาจารย์สมมนนะคะที่ก็จะต้องขอกล่าวในที่นี้ที่ว่ามีส่วนทั้งเป็นแบบอย่างถึงแม้จะไม่ได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์มากมายนะัก เพราะจากตรงนี้หลายๆอย่างก็เป็นเหตุแห่งการที่เคยตั้งไว้ว่าในชีวิตเนี่ยขอมีโอกาสได้มีให้ผู้คนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ไปกราบพบระพุทธองค์ได้มีความรู้สึกเหมือนอย่างเราเพราะมีความคิดว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยในเรื่องของความเรื่องพบชาติการเดินทางอย่างมากมายเลยจากการที่คนมีศรัทธาในระดับหนึ่งก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นทําให้พบชาติเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าหา เบื้องปลายไม่ได้ก็สามารถหาเบื้องปลายได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุแห่งการว่าอย่างน้อยก็ต้องให้คนใกล้ตัวก่อนนะคะก็เลยเป็นเหตุเห่งการทำอันนี้จนกระทั่งแล้วก็ก่อนอื่นเข้ามาจากของการที่ให้ได้ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไปก่อนแล้วก็ขยายผลมาสู่คนรอบข้างคือเด็กทํางานด้วยจนกระทั่งปีนี้ก็บอกกับเด็กที่ทํางานชั้น12ว่าถ้าใครอยู่เกิน3ปีจะทยอย ให้ไปปีละคนสองคนแล้วแต่กำลังเงินที่จะทำได้แต่ต้องผ่านข้อสอบก่อนคือการที่อาจจะต้องสอบสัมภาษณ์ก่อนอะไรเงี้ย น, นะคะก็ถามว่าในชีวิตนี้ที่เหลืออยู่นะคะสิ่งที่ตั้งใจทำก็คือการได้มีส่วนในการที่จะทำนุบำ ร, รุงและเผยแผ่ศา ส, สนา น, นะฮะและพร้อมขณะที่ทำเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้กับคนรอบข้างต่างคน ตามมาช่วยซึ่งกันและกันเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้สามารถเนี่ยให้ตัวเองได้มีส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่จะเกือ้อกูลกันซึ่งจะอยู่ในข้อของการที่เราได้ดาเนินตามทางของพระพุทธองค์นะคะซึ่งเกิดขึ้นด้วยมหากรุณาเราเองที่กล่าวว่าเราศรัทธาในพระพุทธองค์นี่ก็คือสิ่งที่เราจะดําเนินตามท่านได้และเป็นการที่แสดงความ ระลึกถึงพระคุณของท่านประการที่หนึ่งและชีวิตที่เราผ่านมาขณะนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าผ่านมาดุจ ด, ดังเม็ดทรายเราเองก็คงเจอพระพุทธเจ้าไม่น้อยแต่ด้วยความที่ความตั้งมั่นยังไม่เพียงพอณนะเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะว่า 1. มีครูบาอาจารย์ที่ให้พระธรรมคําสอนอย่างตรงและถูกต้องให้เราด้วยกันหลายรูป 2. พระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็พึงจะใช้ความเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็โชคดีมากๆเลยที่พระธรรมคำสอนอยังครบถ้วนก็สร้างอัชาสัยทั้ง6ที่พระเจ้าได้กล่าวไว้เนี่ยให้มั่นคงและเข้มแข็งนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์คสาธุสาธุ ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ได้ฟังข้อคิดก็ดีนะได้ได้มุมในการที่จะได้เดินในการจเจริญกุศลที่ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนี้และทั้งนั้ น, นมาได้กล่าวเกริ่นไว้ก็คือเรื่องของเจตนาทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของเจตนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนหรือเจตนาที่ว่าสภาพที่เชื่อมทำที่เกิดพร้อมกำตนไว้กับร่มแม่ขาดไปธรรมชาติของเจตนานี่ยนยะ มาจากคำว่าเจตยติติเจตนาเป็นต้นเราเนี้ยบอกว่าลักษณะคือสภาพที่กระตุนต้นเตือนธรรมที่เกิดพร้อมกันกระตนสู่อารมณ์เจตนาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราดูรู้จักรลักษณะของเจตนาเขาจะมีหน้าที่หรือหน้าตาของเข า, าเขาจะทำมาทำในฐานะเป็นตัวกระตุ้นกิจของเขาคือชักนากระตุน้นธรรมที่เกิดพร้อมกระตนไว้ในหน้าที่ของตนของตนเช่น ทำผัสสะให้ทำหน้าที่ของตนของตนทาสัญญาให้ทำหน้าที่ของตนของตนเป็นตน้นใช่ไหมตลอดถึงศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเป็นตน้นหรือโลภะโทสะโมหะหรืออะโลภะอโทสะโมหสะสภาพทำทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับเจตนานั้นเจตนาจะเป็นตัวกระตุ้นทำที่เกิดพร้อมกับตนไว้ไว้ในหน้าที่ของตน อาการปรากฏของก็คือสภาพที่สามารถจัดแจงกระตุ้นทมที่เกิดพร้อมกระตนไว้ใหน้นหน้าที่เหมือนอะไรเหมือนหัวหน้าสิทธิ์หรือเหมือนแม่ทัพหัวหน้าสิทธิ์หรือแม่ทัพเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะคอยบอกว่าท่านผู้นั้นทำหน้าที่นั้นท่านผู้นี้ทำหน้าที่นี้เป็นต้นลักษณะของเจตนาถ้าใครใช้เจตนาไปในทางที่ผิดท่านผู้นั้นก็วิบัติเลยนะลงส่วบายทุคติวินิบัตรนรก หลายๆท่านไม่สามารถจะออกจากสังสารวัตรได้ก็เพราะการใช้เจตนาผิดพลาดเช่นปุรณกะกัสปามคคาริโคสาราอชิตาเกียตสกัมพลสัญชัยเวระพระบุตรปกุท ธ, ธากัจจายนานนิคนนาต บ, บุตรบุคคลเหล่านี้ใช้เจตนาในความผิดพลาดในการปรุงแต่งเจตนาให้เจตนาชักนํำทำที่เกิดพร้อมกับตนผิดพลาดก็เลยไปปรุงแต่งโลภะโทสะและโมหะโดยเฉพาะไปุงปรุงแต่งมิจฉาทิฐิซึ่งมีกําลังอย่างมาก แล้วโมหะก็ปิดบังท่านเหล่านั้นก็ประกอบกายยะทุจริตวจีทุจริตและก็มโนทุจริตบาปอากุศลธรรมลาโมก็ทำอย่างยาวไกลในท่สุดจริงๆท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นต่อของวัตเตาไปเนี่ ย, ยอันนี้ก็คือโทษของการใช้เจตนาบิดพลาดหันมามองอีกมุมหนึ่งพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่ปรุงแต่งแล้วก็ใช้เจตนาได้ชัดเจนมากใช่ไม ดูบารมีของพระบรมศาสดาที่ท่านเริ่มขับเคลื่อนที่ใช้คําว่าทานเจตนาโยธาศีลเจตนาโยธาเนคขมมะเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาวิริยะเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจะเจตนาโยธาทิฏฐานะเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาและอุเปขาเจตนาโยธาอันนั้นพูดถึงเจตนานะ เป็นตัวปรุงแต่งให้กับบารมีธรรมเหล่านั้นน่คำว่าปรุงแต่งบารมีธรรมเหล่านั้นก็คือปรุงแต่งกุศลธรรมให้ประชมในกุศลธรรมในกุศลจิตของท่านแล้วขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมโนกรรมของท่านทุกรูปแบบในการที่จะมุ่งเน้นในการเดินบารมีครบเครื่องบารมีของท่านนี่หมุนเต็มระบบเลยใช้เวลาหมุนอย่างยาวไกลในสังสารวัอันหา ที่สุดเท่ไม่ได้เลย20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมาหากับในที่สุดจริงๆเมื่อท่านขับเคลื่อนบารมีเต็มใช่ไหมที่บอกว่าทรัพย์สมบัติที่มีนั้นพึงมีอุปการะแก่บุคคลอื่นโดยส่วนเดียวอวัยวะที่มีนั้นก็มีเพียงเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นชีวิตที่มีอยู่ก็เพียงเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นใครต้องการทรัพย์เอาทรัพย์ไปใครต้องการอาวัยวะจงเอาอวัยวะไปใครปรารถนาชีวิตจงนำชีวิตของข้าพเจ้าไป นี่ไงพระพธิสัท์เนี่ยถ้าไปแยกว่าสต๊าเออยาววยวาเออยชีวิตเลยนี่แยกเป็นสามถ้าเพิ่มอีกก็คือปุตตะปริจาคะปริยาปริจาคะอีกก็เป็นห้าเนี่ยนะสรุปก็คือท่านขับเคลื่อนการให้การสละในลักษณะนี้อย่างยาวไกลที่ไม่ว่าจะนับเน้นในเจตนาโยธาสีลเจตนาโยธาอะไรก็แล้วแต่นะทานาเจตนาหรือศีเจตนาโยธาอันนั้นเป็นเรื่องของเจตนานะเป็นตัวกระตุ้น ชักนำสัมปติยุธธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยเข้าสู่อารมณ์เน่นะเพื่อให้ทาหน้าที่ของตนของตนทั้งหลายอาจารย์บแต่ค <c oughs> งเพราะ่ท่านอาจารย์เห็นคนเรียนเยอะนะนะคะโยมก็ขอแต่ยังไงขอเพิ่มเติมนิดนึงนะจ้าคะการที่ผู้ที่จะมีเจ ต, ตนาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและดำเนินตามทางก็คือการ เราต่อโการได้ยินฟังพระธรรมคําสอนนะคะแล้วก็มาเกิดโยนิโสมนัสิการก็จะเป็นเหตุแห่งการเจตนาเพราะเจตนาก็คือกรรมคื อ, เ, อ, อเป็นสังขาตนสังขตาตธรรมนะคะที่ทําให้เกิดสังขารทั้งสามมันนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการฟังพระธรรมคําสอนอย่างที่เราฟังกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้แล้วก็เกิดการที่โยนิโสมนัสิกานนะคะความสังารจะค่ะ ทีนี้จากการที่จากการที่ตัวเจตนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นเตือนเนี่ยเนสัมพยุทธธรรมทั้งหลายดังกล่าวแล้วเนี่ยถ้าลักษณะของเจตนาที่บอกว่าชักชวนกระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ไว้ในหน้าที่ของตนแล้วก็สภาพที่สามารถจัดแจงกระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ทําหน้าที่ของตนเหมือนหัวหน้าสิทธ์หรือเม่ทั ถ้าเราดูในรักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าตัวเจตนาเน้เนี่ยเมื่อใช้เพื่อจะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาใช่ไหมให้ศรัทธาทำหน้าที่ของตนของตนให้วิริให้ศรัทธาให้สติให้ฮิริให้โอตัปปะให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธแล้วก็ให้ปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ให้ทำหน้าที่ลักษณะของเจตนานั้นจึง เป็นตัวตั้งในกรณีที่จะขับเน้นในการที่จะทําให้กุศลธรรมทั้งหลายนะั้นเกิดขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าเจตนาเหล่านี้ที่สามารถที่จะนําผิดหรือนําถูกนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมเจตนาที่จะนําผิดหรือนําถูกนั้นนะ่ะเจตนานั้นต้องได้ข้อมูลไงต้องได้ข้อมูลได้ปัจจัยนั่นเองเพราะเหตุใกล้ของเจตนาทั้งหลายก็คือทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดพร้อมกันกับตนก็ได้เช่นพวกพัรษะเป็นต้นเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยแก่การ started, ที่จะเกิดพร้อมกันกับเจตนาทั้งหลายหรือที่กล่าวในกรณีที่ใช้คําว่าโยนิโสมนัสิกานี่เป็นปัจจัยแก่เจตนาไหมเป็นใช่ไหมถ้าโยนิโสมนัสิการก็เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่เป็นไปกับกุศลแต่ถ้าอโยนิโสมนัสิการก็เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่จะเป็นไปกับอกุศลนะทีนี้ถามว่าโยนิโสมนัสิการมีอะไรเป็นปัจจัย ก็มีประโตโคศะใช่ไหมก็คือปัจจัยทั้งหลายคือกัลยาณมิตรภายนอกเพราะตัวโยนิโสมนัสิการนี่เป็นกัลยาณมิตรภายในแต่ตัวกัลยาณมิตรภายนอกทั้งหลายก็มีพระพุทธเจ้ามีสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาทั้งหลายเหล่าเนี้อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่จะเป็นตัวเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมนัสิการที่เกิดขึ้นตัวโยนิโสมนสิการก็เป็นปัจจัยแก่การที่เป็นคู่ที่มีความ พิจารณารมด้วยปัญญานั่นเองถ้าถามบอกว่าเจตนาในทีน่นี้ถ้าเรามองตรงนี้ไปมองในด้านของทานในชั้นคําสอนถ้าเราดูในด้านของทานุทานาสูตรเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภาษาลีบุตรหรือมาดูในทานุ ป, ปัติสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสูุน์ตั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการอันนี้พูดถึงด้านเจตนานี ในชั้นคำสอนตรงนี้ท่านบอกว่า <c oughs> เป็นชะไหนดูก่อนพิกูุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบแก่สมณนะและก็สมณะพรามเขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาสาลพรามณะมหาศาลขณาบดีบุสาเ อ, อบอิ่มพ่ำพ้อมได้เบญจกา ร, รมกุลทั้ง5าก็มีความปรารถนาว่าโอ๋น้อเนี่ย เมื่อเราตายไปแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาสารพระมณะมหาศาลหรือขราบดีมหาสารเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตแล้วก็เจริญจิตอยู่จิตของเขาก็นึกน้อมไปในทางที่เลวทางที่ต่ำานะไม่เจริญยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยนะท่าก็บอกว่า เขายอมเท่าถึงความเป็นสหายของกษัต ร, ร, ร, ริย์มหาศาลพรมนะหรือข่าบดีมหาศาลแต่ข้อ น, นั้นเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลเป็นต้นนี้ได้กล่าวไปแล้วมาเชื่อมอีกสูตรหนึ่งนะในชั้นของคําสอนในทานสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แก่ภาษารีบุตรที่บอกว่าดูก่อนสารีบุตรเนี่ยนะในชั้นของคําสอนที่บอกการในการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันให้ทาน ให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้เขาให้ทานก็คือข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักป่าทีพแล้วก็อุปกรณ์แก่สมณพราหม์ดูก่อนสารีบุตรเธอจากสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานเหรียญปานนี้หรือภาษาลิบุตรก็บอกว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในทาน ให้ทานก็มุ่งวานการสั่งสมสมาทานให้ทานด้ตายไปแล้วจะได้สวยผลของทานนี้เขาพูดนั้นให้ทานแล้วเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาอันนี้บ่งบอกว่าการให้ทานด้วยการสั่งสมเนี่ยนะตรงนี้ท่านในชั้นคำสอนท่า น, นใช้คาว่าตันหุตริยาทานังการให้ทานที่ยิ่งด้วยความอยากเอามีไหมคนให้ทานแล้วหวังผลเนี่ย ลักษณะนี้บอกว่าเมื่อให้ทานที่ยิ่งด้วยความอยากมีตัณหาเป็นตัวนำรักษาศีลที่ยิ่งด้วยความอยากมีตัณหาเป็นตัวนำเจริญภาวนาที่ยิ่งด้วยความอยากมีตัณหาเป็นตัวนำนะมีไหมมีใช่ไหมกรณีในลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่ามุ่งการสั่งสมมีตัณหาเป็นตัวนาถ้าไปดูในคาสอนตรงนี้แล้วก็ไปเดินสูตรอื่นตามด้วยนะเช่นไปดูใน ในชั้นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนแก่อริธากะภิกขุเนี่ยนะในอริธากาสูตรเนี่ยนะในในอลัคขู ป, ปมสูตรที่ท่านสรุปในชั้นของอริษฐาที่บอกว่าตัณหาสามานุปัสสนาทิฏฐิสมา น, านุสมานุปัสสนาแล้วก็มานะสมานุปัสสนาเนี่ยการพิจารณาด้วยตัณหาการเดินจิต ด, ด้วยตัณหาการเดินจิต ด, ด้วยมานะและด้วยทิฏฐิทั้งหลายเนี่ย มันก็เหมือนกับการเจริญเลยนะอย่าลืมนะอันนี้มุ่งการสังสมตรงนี้ถ้าเขาเจริญจิตอธิษฐานจิตนี่นะหรือว่าการการตั้งจิตการเจริญจิตการการอธิษฐานจิตการเจริญจิตเป็นไปในลักษณะอย่างเนี้เขาหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะแต่ในที่นี้กล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลดังที่ได้กล่าวถามว่าเมื่อเขาบางท่านก็แค่กษัตริย์มหาพระสาร หรือว่าพรมะมนามหาศาลขณาบดีมหาสาลเขาเห็นว่าเอ๊ ก, กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีกามาคุมไหมได้ตาหูจมูกเล่นกายใจบริบูรณ์แล้วยังไม่พอยังได้สิ่งแวดล้อมคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สภาพธรรมอารมณ์นั้นบริบูรณ์ด้วยบริษัทบริวารก็บริบูรณ์ด้วยเมื่อเขาเห็นสิ่งใดเขาก็มุ่งการสั่งสมในการสละในการรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้ในการตั้งจิตอดีฐานจิตอย่างนั้นเขาให้สิ่งใดก็ได้สิ่งหวังสิ่งใดได้ได้สิ่งนะ แต่ต้องมีศีลนะถ้าถามว่าในกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งจิตผิดหรือถูกผิดหรือถูกบางกลุ่มท่านะั้นจะดูในดูในอีกสูตรหนึ่งท่านบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจ่ตุ้มพอสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกคำว่ากลับมาเป็นอย่างนี้อีกก็คือกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีก กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรานอีกกลับมาเกิดเป็นเปรตอีกกลับมาเกิดเป็นอสุรกายอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็มีอัธยาศัยผิดๆอีกในการเจริญกุศลใหม่ถ้ามันเป็นมนุษย์แล้วก็ไปหมุนกลับมาใหม่อีกเหนื่อยไหมแบบเนี้ยเหนื่อยไม่เหนื่อยบางคนก็เป็นไปลักษณะอย่างนี้แหละให้ทานที่มียิ่งด้วยตัณหาก็ได้ยิ่งด้วยมานะก็ได้ยิ่งด้วยทิฐิก็ได้เดี๋ยวไปดูสภาพของตัณหามานะทิฐิ ถ้าถามว่าอีกสองอีกกลุ่มหนึ่งนะนี่กลุ่มนี้เป็นสวรรค์ในเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมในกลุ่มที่2มาสรุปเลยนะในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังในการให้ทานไม่ได้ผูกพันในการให้ทานไม่ได้มุ่งการสั่งสมในการให้ทานนะไม่ให้ทานโดยคิดว่าตายไปแล้วจะได้สวยผ ล, ผลกลุ่มนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เขาคิดบอกว่าเขาคิดให้ทานเขาคิดยังไงเขาคิดบอกว่าเขาบอกว่าบางคนในโลกเนี้ย ไม่ได้มุ่งการสั่งสมแต่ให้ทานเนี่ยให้ทานไม่ได้มุ่งการสั่งสมให้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเออการให้นี่เป็นการดีอ่ะชีวิตเราเมื่อเรามีเราต้องให้ถ้าไม่ให้เนี่มันไม่ดีหรอกเขาก็ให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานของดอกไม้เครื่องรูบไล้ทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ให้แล้วให้อุปกรณ์แก่สมณะพราหมณดูก่อนสารีบุตรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นจะไหนบุคคลบางคนในโลกเนี้ให้ทานเห็นปานนี้มีไหม ภาษาริบบทบอกว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าภาษาลิบตรดูก่อนสาษลิบบุดในการให้ทานของบุคคลที่ไม่มีความหวังให้ทานไม่ได้มีผูกพันด้วยตัณหาให้ทานเนี่ยนะไม่ได้มุ่งการสั่งสมกลุ่มนี้อย่าลืมนะให้โดยมานะก็ได้โดยทิฐิก็ได้แต่ตัณหาไม่แรงนะกลุ่มเนี้แต่ตามนานะแรงทิฏฐิแรงเนี่ยนะไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเออเป็นของดีทานเนี่ยคนดีก็ต้องทําสิเข้าไหม เมื่อคนเขาบอกว่าเราเป็นคนดีแล้วไม่ให้ได้ยังไงก็เรามีเนะี่ยเราก็ต้องให้การให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นาดาวดึงกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้จะเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเพราะเขาคิดว่าแหมอยากจะทําถนนหนทางอยากจะทําอะไรต่างๆเห็นไหมเรามันมีศักยภาพเราสามารถจะช่วยคนได้เป็นของดีเป็นของมีประโยชน์คิดอย่างนี้ไหมโยมบรวิวาเคยคิดแบบนี้ไหม ลักษณะนี้เขาให้บอกว่าลักษณะการให้อย่างนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วก็ไปเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงสิ้นกรรมสิ่งฤทธิ์ส้นยอดหมดความเป็นใหญ่กลับไหมเขากลับมาเกิดเป็นอย่างนี้อีกกลับมาเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีบางกลุ่มก็เกิดเป็นสตาาัตว์เดรัจฉานบางกลุ่มก็เกิดเป็นเปรตบางกลุ่มก็เป็นอสุรกายบางกลุ่มก็เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาตั้งหลักวิธีคิดแบบนี้ถามว่าอัจฉริยะใส่ที่คิดผิดๆเนี่ยมันจะติดตัวไหม อย่าแปลกใจถ้าเราจะถอนความรู้สึกอะไรยากๆอ่ะอัจฉริยะตัวนี้เนะอย่าแปลกใจว่าทําไมเราศึกษาคําสอนของพระเจ้ามันถึงขีง้เขียนยากเอิเนี่ยนะทำไมขี่ยวเขียนยากนี่ ย, ย, ยาบางคนก็พุ่งพื้นเอาพื้นเอาเนี่ยใช่ไหมแล้วมองเห็นยังแล้วแต่ระเะแล้วเห็นยังแล้วเห็นไม่สงสัยแล้วนะ่ดี๋ยวนี้นนเอาอีกกลุ่มหนึ่งเขากลับมาความเป็นอย่างนี้อีก บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานด้ไม่ได้คิดด้วยการสั่งสมหรือได้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้พูดทานนี่เน้นทานศีลภาวนาไปเลยนะเอามาต้องการขับเน้นทั้องสามตัวไปเลยนะอย่าไปคิดแค่ทานอย่างเดียวถ้าทานอย่างเดียวไปสวรรค์ได้ไงเราใช่ไหมมันต้องมีศีลกำกับด้วยเขากุศล บอกว่าศีลห้ากุศลกรรมบทเนี่ยใช่ไหมขับเน้นในกรณีการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยไม่ใช่แม่ถ้าให้ให้อย่างเดียวแล้วไม่ต้องรักษาศีลก็โอ้โหสบายแล้วถ้างั้นนะใช่ไหมสบายแล้วจะให้โดยจิตยังไงไม่ต้องไปคิดแล้วมีก็สลาะให้สลาะให้เราก็ได้ดิบได้ดีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นที่ไหนแล้วเนะี่ยถ้างั้นก็โอ้โหไม่เห็นยากเลยการให้ทานใช่ไหมทีนี้ ปู่ตายายยายเคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีก็ให้สิบอย่างอันนังทานังขนังว่าถังเป็นต้น ว, ว่าไปใช่หมหรือให้ข้าวให้น้ำให้สีเสียงกินรถเลยนั้นก็แล้วแต่ใครจะแยกเป็นเน้ก็เท่าให้ในลักษณะอย่างนี้เข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นยามาโอขึ้นสูงกว่าดาวดึงนะยามาสูงไหม ยอมไปอยู่อินเดียเดือนหนึ่งใช่ไหมไปอยู่ไปอยู่ที่ไหน960เลยอยู่ที่ไหนนะว่าไงยอมไปลิีนไปกี่เดือนเนี่ะ5เดือนเลยอ๋อเลยเ5เดือนได้ยังไงอ้าวร้องพูดหน่อยที่5เดือนนะได้กุศลอะไรมาฝากเพื่อนๆหน่อยอ๋อ กราบขอบพระคุณตามรัสกาลพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็เพื่อนสหธรรมทุกคนไม่คิดว่าจะถูกเรียกเออจากการที่ไปกับคุณกิงการนะฮะที่คุณการพูดถึงว่าอยากไปเองแล้วไปอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปกันสามคนก็ช่วงนั้นก็เริ่มรู้จักกับท่านพระราชนรงสีขณะนั้นท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณ เออพระราดอ่ะนะฮะก็ไปเห็นพระที่ต้องทำงานเตามวัดต่างๆแล้วก็ดูแลเพื่อจะเตรียมงานเพื่อจะต้อนรับผู้ที่จะเข้าไปไหว้พระแล้วไปอาศัยค้างแล้วก็อาศัยรับประทานอาหารที่ตามวัดต่างๆก็พูดคุณหญิงการก็ปรารถขึ้นมาว่าดูแล้วอยากเห็นว่าน่าจะมีทั้งระบบงาน ทำผ้าปูที่นอนปอกหมอนอะไรเงี้ยนะคะวางให้สำเร็จไปเลยแล้วอาหารก็ออกเมนูเลยใครมาก็ต้องทานมื้อนี้เมนูนี้ทั้งพระทั้งแม่ชีก็ไม่ต้องยุง่งขณะนั้นไม่มีแม่ชีก็มีอยู่สักสองสามคนนะคะที่เข้าไปช่วยที่เหลือก็ต้องเป็นพระหอบที่นอนผ้าปูที่นอนปอกหมอนมาคอยดูแลบริการตอนนั้นพลินก็ยังไม่ค่อยได้เข้าถึงอะไรสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็นึกหัวเราะ ก็คุยกันว่า โ, โหเนี่ยชื่อเก๋จังเลยบอกไปลาญาติโยมมาบอกมาเป็นพระธรรมทูต ท, ที่ประเทศอินเดียมาแบกพระผมพ่อปูที่นอนอยู่อย่างนี้เอง mm hmm. ก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้มาให้มาช่วยกันแต่พอเอิญปีรุ่งขึ้นไพลินก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไ ป, ไปรับงานไปเป็นผู้อำนวยการบริหารที่ยุทพุทธิการสมาคมอยู่สอง สองสามปีค่ะพอออกมาก็เตรียมตัวเลยนะคะเขียนใบลาแล้วก็มุ่งไปอินเดียไปได้ครึ่งทางก็ปรากฏคุณหญิงการโทรมาบอกสามีเข้าโรงพยาบาลต้องกลับด่วนไปไปครั้งนั้นก็เลยไปไม่ไม่ไ ม, ไม่ยังไม่ได้ทํางานอะไรที่สําเร็จที่ตั้งที่เราเคยตั้งสัจรูว่าเราจะเข้าไปช่วยแล้วก็หลังจากนั้นก็แม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกสองสมปีก็ไม่ได้ไป พะปีนี้ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันแก่เกินไปละไปทำอะไรไม่ไหวก็อธิษฐานจิตว่าเราจะไปเป็นธรรมบริกรช่วยเหลืองานทุกๆอย่างที่ที่ทางวัดเห็นว่าเราควรทำทำได้นะฮะแต่ไปครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ได้ฟังธรรมะได้ศึกษาธรรมะบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างเพื่อนๆที่ห้องนี้ที่ได้มาร่ำเรียน กับฟังวิธีแนวการตรึกคิดจากท่านพระอาจารย์ถึงไม่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะมาขอเทป CD ดีเอ็มพี 3, ะจากคุณอินการไปฟังเราก็พยายามคิดเลึ ก, ลกตรึกไปนะคะแล้วก็จิตก็มุ่งมั่นว่ายัางไงเราต้องไปแล้วก็วีซ่าเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ถึง6เดือนนะะก็จะไปแบบชนิดอยู่จนจบวีซ่าแล้วก็จะกลับ แล้วก็จะให้ทําอะไรก็ยินดีที่จะทําและทําทั้งหลายเนี่ยก็ทำงานทุกอย่างเนี่ยก็คิดว่าเราทํางานเพื่อถวายพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิตรงนั้นเสร็จแล้วพอไปถึงงานงานที่เราต้องไปทําตรงนู้นก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่พระที่วัดต่างๆจะรับยติโยมบอกว่าอนุญาตให้มาค้างได้มาอยู่ได้เนี่ยมันมีเบื้องหลังการทํางานที่ ที่วุ่นวายสาหาัสสกันเหมือนกันนะฮะแล้วตัวเองก็ไม่เคยได้เป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานเป็นพอไปถึงก็ลงลงมือไปทำท่านแรกก็ต้องเข้าครัวเพราะว่าไปถึ ง, ถงเท ศ, ศกาลอะไรก็ไม่ทราบชาวอินเดียชาวเนปาลลางานกันหมดเลยก็มีเหลือผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ให้เราช่วยช่วยได้แม่ชีที่เขาจะต้องไปเป็นแม่ครัวตัวจริงเขาก็ยังไม่ไปตรงนั้นก็ต้องลงมือทางาน ไปแรกๆนี่ยังเราทำแทบจะไม่ไหวเลยนะคะแต่ทุกครั้งนี่เหนื่อยทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มท้อแท้นะคะแล้วก็โอ้ตายเราจะไหวไหมเนี่ยพอเราเสร็จเราก็ต้องตั้งจิตขึ้นมาตั้งมั่นว่าเราต้องให้ไหวแล้วเราคิดว่านี่เรากําลังทํางานถวายพระพุทธเจ้าพอนึกถึงคำคำคำนี้ว่าพระพุทธเจ้าเคย ลำบากสาหัสกันกับเราเยอะแยะเลยถ้าไปแค่นี้เราเราไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เรื่องเรื่องลํบาบากกายนี่เป็นเรื่องจิบจอยละพอตอนนั้นเราเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรเนี่ยนะฮะเริ่มเออมันก็มีข้อความรู้สึกอะไรหลายอย่างบางครั้งไปที่นั่นนะฮะมันเหมือนกับ เราเรากําลังไปเป็นธรรมบริกรทั้งที่เราก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นธรรมบริกรแต่ไอ้ความที่เราเป็นเป็นมีตัวตนอะไรเยอะมากนะฮะว่าเออไปถูกไปถูกคนที่เขาชี้ใช้ให้ทํำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้เธอเอาไปเททิ้งให้ฉันทีอันนี้ไปหยิบไปนู่นมาไปเก็บไอ้นี่มากับกับคนที่เราก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลย ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกอ้เราก็รับอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะทําด้วยความรู้สึกว่าอึดอัดขัดข้องเหมือนกันเรารู้สึกเรายังมีตัวตนเราเยอะแยะมากอะไรอย่างนี้แล้วบางทีก็ถูกถูกบ่นถูกต่อว่าไม่เห็นอร่อยเลยไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะว่าว่าอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกแต่เรามีความรู้สึกตอนนั้นใจเราเริ่มน้อมรับนะคะแล้ว เ, เราก็สงสารคนที่ชาวบ้านที่เขาถูกหัวหน้าทัวร์ มาแล้วเห็นคนที่เอาเปรียบคือหัวหน้าทัวร์ที่ไปทัวร์จัดทัวร์แบบมือเปล่านะครับไปบอกชาวบ้านมาว่าไปทัวร์ถูกๆแล้วก็เอาไปถึงก็ไปโยนทิ้งไว้ให้ที่วัดคอยดูแลให้จะเป็นค่าอาหารก็ดีค่าที่พักอะไรก็ดีก็คนไทยชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยมาแล้วต้องต้องจ่ายนี่สงนะชำระนี่สงพอเห็นคุณป้าคุณ ลุงอะไรทั้งหลายนะคะที่ที่เธอมาจากชายแดนปีนี้รู้สึกคนภาคใต้ไปเยอะมากกันนะคะว่าเธอก็อยากจะตั้งมั่นในใ น, ในพระพุทธศาสนาที่เธอกำลังถูกเบียดเบียนอยู่ตามที่ออหลายๆแห่งทางภาคใต้เธออุตส่าห์เก็บสตังค์มาแล้วก็มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลคนไทยทุกคนที่มาที่นี่จะว่าเป็นทัวร์เศรษฐีมาหรือทัวร์คนยากคนจนมาแล้ว เ, เราจะดูแลเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอาหารการกินที่รับที่นอนเข้าเนี่ย ด้วยความเคารพเขาว่านะครับมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเอาเอามือเขาเอาตัวเขาเอาวัาจีวัจจาร์เขาต้องไปกล่าวเอบูชาพระพุทธคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราน้อมใจให้ดีๆเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนในบุญนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้กราบพระพุทธเจ้าคืออยากจะทําอะไรก็ไดนะ้ให้เขาได้กินดีอยู่ดีตรงที่มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยแล้วก็ ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นเป็นอะไรที่ที่เราน้อมน้อมน้อมใจอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยบางครั้งก็เกิดการท้อแท้ใจว่าโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเราก็รืนึกถึงพระพุทธเจ้าพระุธองค์เนี่ยนะคะตลอดเวลาเลยว่าไอ้ที่เราเหนื่อยเนี่ยเราเหนื่อยแค่ตรงนี้เองอะ่ะแล้วพอพระพุทธเจ้าหูท่านเหนื่อยมาอย่าง แสนสาหัสฉากันรายพบหลายชาติในสังสารวัต น, นี้แล้วก็ไม่ได้เหนื่อยแค่เหนื่อยกายอย่างเดียวท่านเสียสละด้วยเรายังทําอย่างนั้นไม่ได้เลยแล้วทําไมเราจะต้องมาท้อแท้ใจแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีอัตราตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราถ้าเรายังไม่วางตรงไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถจะเปิดใจรับอะไรเลยได้แล้วก็ในที่สุดก็พยายามสอนตัวเองนะฮะแล้วก็เอาธรรมะที่คุณกินการให้ไป ก็โดยโดยที่คุณเอกช่วยทำให้ก็คือเรื่องจริยาปิดกการพํมเพนบารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์สมบัติได้บรรยายเอาไว้กับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไตสรณคมเอาไปสองสองอันนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าพอเรามีเวลาว่างปับ๊บเราจะเอาไอ้นี่เสียบหูแล้วก็ฟังจะเดินฟังนั่งฟังเ อ, อ่อ นอนฟังบ้างอะไรเงี้ยนะก็มันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ว่าเราได้เกาะเกี่ยวอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วบรรยากาศอะไรทั้งหลายที่เราได้เห็นก็ส่วนใหญ่ไปอยู่ตอนแรกไปอยู่ที่รุมพินีว่าเออมาม า, มาตรงแผ่นนี้แล้วก็เราได้เข้ามาทํางานตรงนี้แล้วเราก็ได้มาสะสางตัวเองม า, มา เหมือนกับเป็นการไปร้างร้างจิตล้างใจตัวเราเองนะฮะเราโดยมีพระพุทธคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยนําหน้าเราอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งทุกครั้งที่ไม่สบายหรือเหนื่อยนายหรือทุกใจอะไรเงี้ยนะฮะพอระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วมันรู้สึกมันมีกําลังใจขึ้นมาอย่างอย่างไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดได้อะไรยังไงนะคะแล้วก็พอเสร็จก็มาอยู่ที่ แล้วแต่ท่านเจ้าคุณจะส่งไปก็ไปอยู่ที่ชายแดนตรงห้องน้ําก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นค่อนข้างที่พักแล้วก็อาหารการถูกอะไรเนี่ยถ้าจำกัดจําเกียร์คือคือช่วงนั้นตรงนั้นมันไม่ค่อยจะเหมือนอย่างที่ลุมพินีอาหารการกินเราอยู่ในครัวนะคะตรงนั้นนะเราก็ยังพอมีพอใช้พอกินไปอะไรอย่างนี้ไปได้แต่พอเรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกที่พักก็ดีอาหารการกินก็ดีก็มีอย่างที่กินแล้วก็กินอย่างที่มีก็เลยนึกถึงบทที่พ่อ พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้คือปฏิสังขายอยู่เวลาปินฑบาตสมัยก่อนเราอาจจะสวดแล้วก็ท่องตามพระท่านไปเวลาท่านพิจารณาหารก็จบแล้วแต่พอเรามานั่งทานตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหท่านท่านสอนเอาไว้อย่างชนิตลึกซึ้งแล้วก็ไม่ได้ทานเพื่อให้เกิดพลังทางกายเกิดความมัวเมาเพียงแต่ว่าต้องให้เรามีประพฤต ให้กายนี้ตั้งอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้เราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสอย่างพระสองค์องค์ข้าเจ้าแต่เรามีความรู้สึกว่าบทคําสอนนี้กินใจเรามากเลยแม้กระทั่งเสนาสนะก็เหมือนกันที่เราจะต้องไปอยู่อะไรตรงนั้นนะคะนอนอย่างที่ที่มีที่ให้นอนอะไรเงี้ยก็ก็มีความรู้สึกว่าก็ได้ปฏิสังขารโยอีกนะคะเพียงแต่ว่าแค่เออเป็นที่รบพายเออ ได้ไออุ่นจากที่พักตรงนี้ก็เรียกว่าพอประทังชีวิตตรงนี้ได้แล้วก็พอเสร็จไปอยู่ที่กุสินาราที่กุสินารานี่เป็นวัดที่ค่อนข้างจเจริญ น, นะคะแล้วก็ใหญ่มีผู้คนไปเยอะมากแต่ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆและผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะพกความความความเป็นตัวตนเยอะมากเลย ตอนี้เราก็โชคดีนะคะที่ได้ไปอยู่ที่ลุมพินีมาก่อนแล้วแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งคือที่ชายแดนไปแล้วใจเรามีความรู้สึกว่าอะไรมาเกิดขึ้นกับเราเราก็ยอมรับไดนะ้ถึงแม้ว่าเราจะเจอคนที่เข้ามาดูด่าว่าเราแล้วก็ปราบปรามเราเแบบชนิดเราเออเราทำไมเราทนได้เออทาไมเราเป็นอย่างนี้ได้อะไรอย่างนะี้ะ เพราะทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่านี่คือเรามีพระพุทธองค์เป็น พ, พุทธคุณอยู่นะคะพระพุทธองค์ไม่ได้โดนคนสประมาศประมาณแค่นี้ท่านท่านพระซามพยายามจะเอาธรรมะไปให้กับคนที่ที่ท่านเร็งพยานไปแล้วแล้วก็เขามีบุญอยู่แต่ขณะนี้ยังไม่เปิดโอกาสเนี่ยก่อนที่ท่านจะเปิด ควม่มฝาหม้อที่คว่าอะไรี้ขึ้นมาได้เนี่ยบางครั้งท่านต้องใช้แรงถูกแรงเสียดสีต้านทานนั่นแหละเยอะมากเลยโอย้ท่านยังทำได้ไอเอเรานี่โยหยห่างไกลกระเด็นชี้มองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ก, ก็ล้ำลึกถึงพระพุทธคุณอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ไปไปกับคณะยุ่วพุทธที่พาคณะวิาาทยากร ข, ข, ของยุ่วพุทธไปอีกสี่สองเวรแล้วก็ ไปกับคณะสัตยติโยมที่ไปะนะฮะก็ไปบนวายนเวียนอยู่ตรงนั้นอีกเดือนหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปกราบกราบสังเวชนินิสถาอีกสีแห่งครบสองรอบก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างอย่างที่น้องออนอกพูดะนะฮะอินเดียก็คงจะเป็นประเทศเดียวที่ที่เหลืออยู่ในใจของเราถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสมียังมีเวลายังมี ร่างกายแข็งแรงพอที่จะไปได้ยังมีภาระกำลังทางด้านกำลังทรัพย์ก็คิดว่าคงจะเป็นประเทศเดียวที่ยังยังฝังใจอยากไปเพราะว่าที่อินเดีย น, นี้เป็นเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์แล้วก็อะไรอะไรทุกอย่างเหมือนกับถึงแม้เวลาเวลาที่จะผ่านไป2อ0 0หปีที่พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปประสูรตัดสรุ้ แสดงบทโถมเทศนาแล้วก็ปรินีพานที่เมืองนี้สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆผู้คนต่างๆก็ยังมีทิฐิมีอะไรต่ออะไรที่เหมือนที่ที่ที่ต้องรอระดับพระสมัมมาระดับคนพระเอกบุรุษนะฮะระดับนั้นที่จะมา อ, องาของความให้เขาเปิดฝาที่ยังปิดมิดให้เขาแล้วก็มาม า, มา ส่องไฟให้เขาในทางที่มืดนะะให้เขาเดินได้เหมือนกระโจนที่หลงทางอย่างอย่างนี้คือต้องมีพระมหาบุรุษแบบนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องมีปรากฏการณ์อยู่ที่อินเดียเท่านั้นจริงๆคนอินเดียเขาเขามีศรัทธานะฮะมีมีความ เ, เชื่อมั่นในในพระเจ้าของเขาเนี่ยนะะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เพียงดูว่าไปชี้ให้เขาตรงแล้วก็คลายความหเห็นผิดอะไรของเขาเนี่ยก็จะทาได้อยู่ ก็คิดว่าก็คงอไม่ร so yeah. uh, no yeah. uh, uh, uh exactly. ู้จะพูดอะไรต่อแล้วค่ะท่านพระอาจารย์ก็เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธทำของท่านพระอาจารย์แต่ก็เอาเทปเอาเสียงอะไรไปนะคะแล้วก็ดูวิธีการตรึกอะไรต่างๆที่ที่พระอาจารย์ได้สอนเอาไว้แล้วก็ไปเห็นต้นโพใบใบโพใบหนึ่งร่วงลงมาก็อมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะกับตรงนี้ใบโพใบนี้ก็ยังเป็นใบเดียวกับ ที่พระพุทธองค์เคยนั่งตรงนี้เคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความศรัทธามีความรู้สึกเราก็เชื่อมั่นตั้งมั่นขึ้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าออตั้งปณิธานเอาไว้ถ้าเรามีโอกาสแล้วมีบุญอยากให้น้องๆ น, นะฮะแล้วก็ลูกๆสามีด้วยได้มีโอกาสได้ไปไปอินเดียอีกไปกราบ อ, อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ในแดนขอท่านนันพุทธภูมิที่นั่นถึงแม้นจะไปที่อื่นนะคะอย่างที่ไปที่พมา่าหรือไปที่ศรีรังการู้สึกที่นั่นมีพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าความซาบซึง้งความที่จะน้อมดำรำลึกถึงพระพุทธคุณมันมันไม่เหมือนกันน ะ, ะรู้สึกอย่างนั้นนะเจ้าค่ะกกราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านได้ให้โอกาสสาธุสาธุ เออก็ก็ทาให้ได้คือจริงๆเรื่องเรื่องแบบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทำให้ได้ถ้าฟังฟังดูแล้วก็ทำให้ได้อยู่ได้มุมคิดเรื่องคำว่าคันติบารมีคำว่าคันติบารมีเนี่ยบางทีเราก็เรียนกันมาพอสมควรแต่คันติที่แปลว่า อดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาบาปมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะที่แปลว่าการยอมรับได้โดยปัญญายอมรับได้โดยปัญญาต้องเกิดจริงๆฉะนั้นสภาพของขันติเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาในขณะที่เราเจอกับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราดูมุมของขันติของพระโพธิสัตว์จะเห็นชัด พระโพิสัตว์ท่านบอกว่าขันติเป็นอาวุธไม่เบียดเบียนคนดีใช่มในความสมบูรณ์แห่งคุณสมบัติแล้วก็กำจัดความกโกรธที่ว่าท้อที่ว่าหงุดหงิดที่ว่าไม่อยากจะทำท่า น, น, นความกโกรธนะในความกโกรธมันเกิดขึ้นในใจที่เราบอกว่าท้อแล้วไม่ไหวแล้วแต่ตัวขันติเนี่ย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 ความผได้เป็นเครื่องชี้ถึงความเกิดขึ้นแห่งกิติศัพท์อันงามทําไมเราต้องกระทําทําไมเราจึงต้องทำในรักษาที่จะเจริญกุศลที่จะบูชาคุณของพระศาสดาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจอย่างนั้นเพราะเราเห็นกิติศัพท์อันงามที่มันจะเกิดขึ้นอยนั้นเป็นมนและเป็นยาวิเศษระนับคําพูดของคนชั่วดะ เป็นมนวิเศษคำพูดชั่วคำพูดที่ไม่ดีคำตําหนีตีฉินนินทาคําถูกเปรียบเลยคํากระแทกแดกดันทั้งหลายขันตีนั้นจะเป็นมนเป็นยาวิเศษที่ระงับพิษคําพูดของคนชั่วเป็นปกติคำพูดมีเป็นยาอย่างยอดเยี่ยมที่ตั้งอยู่ในขันตีสังวรถามว่าขันตีสังวรก็คือตัวศีล น, นะตัวศีลแค่นั้นนะ ที่จะทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้เกินกลลทําใจไม่ให้หวั่นไหวบางคนบอกว่ามีศีลแต่ไม่มีขันติสังวรข้อนี้แปลว่าเดินศีลไม่เป็น เ, นเดินศีลไม่เนชั้นชั้นศีลชั้นชั้นสมาธิชั้นปัญญาทั้งหลายเนะี่ยมันเกี่ยวข้องกับขันติ